ของกอฟะพอเลยอะในยกมือขอดูหน้าหน่อยกอฟะพอช่วยกมือนิดหนึ่งค อ, อ, อสมีเวลา3วัน2คืนใช่ไหมเป็นคอสกรรมฐานที่สั้นนะนกระชับมาก แต่เวลาสามวันสองคืนเนะี่ยถ้าจะเรียนกรรมาฐานจริงๆนะก็ถือว่าไม่น้อยยิ่งถ้าเราจเจริญสติเป็นแล้วนะไม่น้อยเลยพระพุทธเจ้าถึงขนาดเคยสอนนะว่าถ้าเรามีสติอยู่น ะ, จะเจริญสติจเจริญปัญญาอยู่นะมีชีวิตยอยู่คืนเดียวแค่คืนเดียว น, ะนี่เราตั้งสองคืนสามวัน มีชีวิตคืนเดียวก็น่าชมลวอยู่ในพัะเทกรัตตสูตรมีชีวิตยอยู่คืนเดียวก็น่าชมนะมีชีวิตยังมีคุณค่างั้นเรามาเติมคุณค่าให้ชีวิตของเราได้ธรรมะมาฟังให้เข้าใจหลักของการปฏิบัตินะแล้วก็ปฏิบัติไปสองสามวันไม่น้อยหลักของการปฏิบัติไม่ยากอะไรนะพูดง่ายๆ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 สมาธิอย่างนี้มันมีมาก่อนพระพุทธเจ้านะมันเอาไว้พักผ่อนสมาธิอีกชนิดหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะตอนเด็กๆพ่อพาไปแลกนาแลกนากวัญเดี๋ยวนี้ยังมีไหมแลกหนาหวัยังทำอยู่ใช่ไหม <im it> เจ้าสุทโธทนะไปไถนานะเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ใต้ต้นไม้พี่เลี้ยงหนีไปดูพระเจ้าแผ่นดินไถนาหมุนท่านอยู่คนเดียวใต้ต้นไม้ท่านลุกขึ้นมานั่งสมาธิ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 วิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารคืออะไรคือเจตนาที่ทำกรรมกนะ็เป็นนามนธรร ม, มสังขารเป็นปัจจัยของวิญญาณวิญญาณนก็เป็นนามนธรรมวิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปนี่มีทั้งรูปธรรมทั้งนามนธรรมนะนามรูปเป็นปัจจัยของอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปธรรมใจเป็นนามนธรรม อายตนะเป็นปัจจัยของผัสสะการกระทบอารมณ์ทางตางหูจมูกลิ้นกายใจการกระทบอารมณ์เป็นนามธรรมเป็นผัสสะเป็นนามธรรมผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นนามธรรมนะคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเฉเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาคือตัวโลภะตัวความอยากนะความอยากที่มีกําลังแรงก็เป็นตัณหานะตัวโลภะตัวตัณหาก็เลยเป็นนามธรรม